ติสสะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระติสสะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธะได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบมีศีลหาที่สุดไม่ได้มีพระยศนับไม่ได้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกพระมหาวีระผู้มีพระจักสุผู้ทรงอนุเคราะห์เสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทรงประจัดความมืดได้แล้วฉายพระรัศมีให้มนุษย์โลกพร้อมทั้งเทวโลกสว่างสวัยแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระฤทธิ์ศีลและสมาธิอันหาสิ่งทัดเทียมมิได้ทรงถึงความสําเร็จในธรรมทั้งปวงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมประกาศความบริสุทธิ์ไปในหมื่นจักรวาลในพระธรรมเทศนาครั้งที่หนึ่ง เทวดาและมนุษย์ร้อยโกรธได้บรรลุธรรมเทวดาและมนุษย์ประมาณ9ก้าสิบโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการแสดงธรรมครั้งที่สามเทวดาและมนุษย์ประมาณหกสิบโกรธได้บรรลุธรรมครั้งนั้นพระองค์ทรงรเรืองเทวดาและมนุษย์ที่มาประชุมกันให้หลุดพ้นจากเครื่องผูกพันพระติสสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมแห่งพระขีนาศพผู้ปราศจากมทิน มีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพระคีนาสพประมาณหนึ่งแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพระคีนาสพประมาณเกล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขีนาสพผู้ปราศจากมนทินเบิกบานแล้วด้วยวิมุตประมาณ8ล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มีนามว่าสุชาต ละทิ้งโคะเป็นอันมากแล้วบวชเป็นือสีเมื่อเราบวชแล้วพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเสด็จอุบัติขึ้นเพราะได้ฟังเสียงว่าพุโทโธปีติจึงเกิดแก่เราเราผู้กําจัดมานะแล้วใช้มือทั้งสองประคองดอกมณทารพดอกปทุมและดอกปาริชัตกะอันเป็นทิพข้าเฝ้าเราถือดอกไม้นั้นกั้นเหนือพระเศียรพระชินเจา้าพระนามว่าติสะ ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกผู้แวดล้อมด้วยวันณะทั้งสี่แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท้ำกลางประชุมชนทรงพยากรเราว่าในกลับที่92นับจากกลับนี้ไปผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้จะเด็ดออกจากกรุงกระบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกระกิริยา จากประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาระนิโครดทรงรับข้าปายาในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชราพระจิเนจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระย้อยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วต่าสรู้ที่โคนต้นอาัตะพฤ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 บำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวร น, นาเทรีผู้ไม่มีอาสวะเส้นราคามีจิตสงบตั้งมั่นดีจะเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกจิตตาข้ามดีอุบาสกและหัตถะ้ามีอุบาสกชาวเมืองอรารวีจะเป็นอัครอุปทา นันทมานดาอุบาจิกาและอุตราอุบาจิกาจากเป็นอครอุปถายิกาพระโคดมผู้มียดพระองค์นั้นจกมีพระชนมาายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดารันนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูล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 ถ้าพระพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูนนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัดของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าเขมกะประเสริฐพระนามว่าชนะสันทะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าปทุมาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าติสะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองครว่าดอยู่เจ็ดพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือคุณนเสลาประสาทนาทิยะประสาทและนิสพะประสาทนี่นางสนมกำนันสามหมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุภัทธาพระราชโอรสพระนามว่าอนันทะ พระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือมาออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ครึ่งเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าติชะทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่ยะจวดีไทยวันอันประเสริฐ พระพรหมเทพเถระและพระอุทัยเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าสุมังคละเป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าเตชะผู้แสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระปุสาเทรีและพระสุทัตตาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นประดู สำพละอุบาสกและสิริอุบาสกเป็น อ, อัครอปปถากยีสาโพตมีอุบาสิกาและอุปเสนาอุบาสิกาเป็น อ, อัครโอปปทายกาพระชินเนผู้ติเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงหกสิบศอกผู้ไม่มีบุคคลเปรียบผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงปรากฏดังภูเขาแม้พระองค์ผู้มีเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบผู้มีพระจักสุ ทรงดำรงพระชนมายุอยู่ในโลกประมาณหนึ่งแสนปีไม่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์พร้อมทั้งสาวกสเสวยยอดยิ่งใหญ่อุดมประเสริฐสุดทรงรุ่งเรืองดังกองเพลิงเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์พร้อมทั้งสาวกเสด็จดับขันธปรินิพานดังเมฆหายจางไปพระสายลมดังน้ำค้างเหือดแห้งไปพระดวงอาทิตย์และดังความมืดหายไปพระดวงไฟฉะนั้น พระชินพะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าติสะเสด็จดับขันทปริิพานแล้วที่นันทารามพระสถูปของพระชินพะเจ้านั้นที่นันทารามนั้นสูงถึงสามโยชนี้แหลติสสะพุทธวงศ์ที่สิบเจ็ดจบ1ิปปุษสะพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระปุษสะพุทธเจ้า ในมันทักกับนั่นแหละได้มีพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมพระนามว่าปุษะไม่มีบุคคลเปรียบไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกแม้พระองค์ก็ทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทรงสร้างความรกชาชัดเป็นอันมากแล้วทรงยังน้ำอมฤตให้ตกช่วยมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาได้ดื่มจนสำราญเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุษะทรงประกาศพระธรรมจัก ในนักขัตตโมงคลเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งเทวดาและมนุษย์ประมาณ9้าล้านได้บรรลุธรรมครั้งที่สองเทวดาและมนุษย์ประมาณ8ดล้านได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระนามว่าปุษะได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้ง พระขี่นาศประมาณหกล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพระขี่นาศประมาณห้าล้านรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขี่นาศประมาณสี่ล้านรูปล้วนแต่หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมัน่นตัดที่ต่อคือกิเลได้แล้วมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มีนามว่าวิชิตะ สละราชสมบัติเป็นอันมากแล้วออกพนบทในสำนักของพระองค์แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุษะพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของชาวโลกทรงพยากรณ์เราว่าในกลับที่เกสบสองนับจากกลับนี้ไปผู้นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกเบลภัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยา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 พระเถระนามว่าอานนจกเป็นพระอุปทาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวันนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิมราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศตพฤกจิตรรต์าหัาดีอุบาสกและหาตกะข้าหัดีอุบาสก ชาวเมืองอารวีจากเป็นอัคระอปาถากนันทามานดาอุบาจิกาและอุตราอุบาจิกาจากเป็นอัคระอปถายิกาพระโคดมผู้มีพระองค์นั้นจากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่า ท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาตามก็เปล่งเสียงโ ho ร้องปรบมือแร่เริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธางกูลนี้ใน่นาคตกลเราได้ฟังพระดารัสของพระพุทเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีสิทธิ์ประการให้ยิ่งขึ้นไปเราได้เล่าเรียนพระสูตรและพระวินัยอันเป็นนวังคระสัทสาทั้งปวงแล้วช่วยประกาศาศาสนาของพระชินเจ้าให้รุ่งเรืองเราเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในคำสั่งสอนนั้นเจริญพรหมวิหารภาวนาถึงความสำเร็จอภิญยาแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกกรุงชื่อว่ากาสิกะประัตรพระนามว่าชัยเสน เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสิริมาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุษะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคารวาสอยู่เก้าพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือครุละประสาทหังสะประสาทและสุวรรณดาราประสาทมีนางสนมกำนันสอง0 0นสาพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่ายิสาโคตมีพระราชโอรสพระนามว่าอโนปะมะพระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าปุษะทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกสูงสุดขวานรชนผู้อันพรมทูลอารธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักที่มรกทายวันพระสุรคิตะเถระและพระธรรมเสนเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าสัพิยะเป็นพระอุปถากของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระจาราเถรีและพระอุปจาราเถรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่า ต้นมาขามป้อมทนันชัยอุบาสกและวิสาขาอุบาสกเป็นอัครอุปถากปทุมมาอุบาสิกาและสุรินาคาอุบาสิกาเป็นอัครโอุปถายิกาพระมุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูง58ศอกทรงงดงาม ด, งดังดวงอาทิตย์และเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญขณะนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ ป, ประมาณ 90,000 ปี พระองค์ก็ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากแม้พระศาสดาผู้มีพระยศอันไม่มีใครใครเสมอเหมือนพระองค์นั้นตรัสสอนเวณนยศาสตร์เป็นจํานวนมากทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากพระองค์ผู้เป็นไปกับสาวกเสด็จดับขันทัปรินิพานแล้วพระชินนศาสดาผู้ประเสริฐพระนามว่าปุษสะ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 วิปัสสีพุทธวงว่าด้วยพระประวัติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้มีพระจักสุเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงทำลายกระเปาะฟองไขคืออวิชชาแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอนุดม จะด็จไปยังกรุงพันธุมาดีเพื่อทรงประกาศพระธรรมจักรพระองค์ทรงเป็นผู้นำทรงประกาศพระธรรมจักรให้ราชบุตรและบุตรปุโรหิตทั้งสองได้บรรลุธรรมการบรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งบอกจํานวนไม่ได้ต่อมาพระองค์ผู้มีพระย์นับไม่ได้ทรงประกาศอริยสัจสีในนคร น, นั้นทเวทวดาและมนุษย์ประมาณแปดหมสี่พันได้บรรลุธรรมครั้งที่สอง ผระบุประมาณ8ปดหมสี่พันบวชตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีพระจักสุทรงแสดงธรรมแก่เขาเหล่านั้นผู้มาถึงอารามเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศ ธ, ธรรมทานตามอุปนิสัยจึงประทับยืนตรัสโดยอาการทั้งปวงแม้บรรพิตเหล่านั้นก็ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐจึงชื่อว่าได้บรรลุธรรมครั้งที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมพระคีนาศกผู้ประสจากมณฑินมีจิตสงบระงับคงที่สามครั้งพิกษุประมาณหกล้านแปดสรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพิสุประมาณหนึ่งแสรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพิสุประมาณ8ปดหมืนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองยิ่งในถ้ำกลางหมู่พิกษุนั้น สมัยนั้นเราเป็นพญานาคผู้มีฤทธิ์มากมีบุญมีความรุ่งเรืองมีนามว่าอตุละตามโคดครั้งนั้นเรามีนาคหลายโกรธแวดล้อมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกบรรเลงดนตรีทิพถวายเราครั้นเข้าเฝ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกแล้วทูลนิมนต์พระองค์แล้วได้ถวายต่างทอง อันประดับด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรณ์ทุกชนิดแก่พระองค์ผู้เป็นพระธรรมราชาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสงแล้วทรงพยากรณ์เราว่าเนกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปพญานาคนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระธัาคตได้สเสด็จออกจากกรุงกระเบรพาสที่น่ารื่นรมแล้วทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขระกริยา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 กะสุลสัมมาสัมโพธิญาณที่คนต้นอัศทพฤกพระมารดาผู้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจกมีพระนามว่าสุโทธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโพดมพระโกริตาเทระและพระอุปติสตาเทระผู้ไม่มีอาสวะเสื่อมราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวก พระเถระนามว่าอานน์จกเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะเสิมราคะมีจิตสงบประงับตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตัดสรู้ของพระผู้มีพระภาพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสตะพฤก ชิตาข้าพเดีอุบาสกและหัตถกะข้าพดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจากเป็นอัครอุปาถากนันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายากาพระโคดมผู้มีพระองค์นั้นจากมีพระชนมายุประมาณร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระธรรมนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่แล้ว ต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นนอผู้ทางกูลสัตว์ทั้งหลายในหมือนจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจะพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้านอผู้ทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว ก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงค่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระพระชินเจ้า พ, พระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทรทางกูลนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํารัสของพระพทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบาเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าพันธุมดีษัตริย์พระนามว่าพันธุมะ เป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าพันธุมดีเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวะาอยู่แปดพันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือนันทประสาทสุนันทประสาทและสิริมาประสาทมีนางสนมกำนันสี่หมื่นสาพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าสุทัศนาพระราชโอรสพระนามว่าสมวัตถคันพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือรถออกพนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสูงสุดกว่านรชนผู้อันพรมทูลอารัธนาแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจักที่มรกขไทยวันพระขันธเถระและพระติจนามเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอโศกะเป็นพระอุปถากของพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระจันทาเทรีและพระจันทมิตาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชาวโลกเรียกว่าต้นแครไฟล์ปูณับภาษุมิตตอุบาสกและนาคอุบาสกเป็นอัครอุปถากสิริมาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาเป็นอัครโอุปถายิกาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงมีพระวรากายสูงแปสอกพระองค์ทรงมีพระรัศมีเปล่งปลั่งแผ่ไปเจ็ดโยต์โดยรอบ ขณะนั้นพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ8ดหมื่นปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากทรงเปลืองเทวดาและมนุษย์เป็นจานวนมากให้พ้นจากเครื่องพันธนาการตรัสบอกทางและมิใช่ทางแก่ปุตุชนที่เหลือพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงแสดงแสงสว่างแสดงอมตะบททรงรุ่งเรืองดังกองเพลิง เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระฤทธและบุญอันประเสริฐพระลักษณะมีลายจักที่สวยงามทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่านอ้อพระวีรเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นนระผู้ประเรสริฐเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานที่สุมิตรารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ ที่สุเมตตารามนั้นสูงถึงเจดโยดชนีแ้แหลวิปัสสีพุทธวงศ์ที่สิบเกจบยี่สิบสิขีพุทธวงศ์ว่าด้วยพระประวัติของพระสิขีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีพระชินะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้สูงสู่แห่งเทวดาและมนุษย์ผู้ไม่มีบุคคลเสมอ ไม่มีบุคคลเปรียบเทียบทรงย่ำยีมารและเสานามารแล้วทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดทรงประกาศพระธรรมจักเพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระชินเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าสิขีทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณแสนโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งเมื่อพระองค์ผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่คณะเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกทรงแสดงธรรมแม่อื่นอีก เทวดาและมนุษย์ประมาณ 90,000 โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองเมื่อพระองค์ทรงสแสดงยะมะกะปฏิหารในมนุษย์โลกพร้อมเทวโลกเทวดาและมนุษย์ประมาณ 80,000 โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ก็ได้มีการประชุมแห่งพระขีณาศพผู้ปราศจากมลทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้ง พระขีนาศพจำนวนแสนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งมีพระขีนาศบจำนวนแปดหมืนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองมีพระขีนาศพจำนวนเจ็ดหมืนรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามภิกษุที่มาประชุมกันแม่นั้นไม่แปดเปื้อนด้วยโลกธรรมเหมือนดอกบัวที่เจริญในน้ำก็ไม่แปดเปื้อนด้วยน้าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มีนามว่าอรินธรรม ได้อ่าง่าพระสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำด้วยข้าวและน้ำได้ถวายผ้าอย่างดีมากมายหลายโกรดผืนได้ถวายพานะคือช้างซึ่งประดับแล้วอย่างดีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ทำราชพานะคือช้างให้เป็นของสมควรแก่สมณนะแล้วนำไปถวายทำจิตของเราให้ตั้งมั่นเป็นนิดพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระองค์นั้น ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกก็ทรงพยากรเราว่าในกับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกรบิลพัทที่น่ารื่นรมแล้วทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกริยาพระตถาคตจกประทับนั่งที่โคนต้นอชปาลานิโครธทรงรับข้าปายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชรา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 พระบิดาจักมีพระนามว่าสุโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จับมีพระนามว่าโพดมพระโกริตะเถระและพระอุปติสะเถระผู้มีมีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจับเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอาณนจะเป็นพระอุปถากบำรงพระชินเจ้าพระองค์นี้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 สัตวทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัจ ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจกพราดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุฏ า, างู น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะฆ่าแม่น้ำพระท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึง่าแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าพ ร, าพระพ r a t จ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าห น, าหนอพุทธางปูนนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํำรักของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบา ร, รมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าอารุณวดีประจับพระนามว่าอารุณเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าปภาวดี เป็นพระชนนีของพระพุทเจ้าพระนามว่าสิขีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราว่าอยู่เจ็ดพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุวัฒกะประสาททิริประสาทและวาหณะประสาทมีนาวสนมกำนันสอง0 0นสพันนางร่วมประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสัพพกามา พระราชโอรสพระนามว่าอตุละพระองค์เป็นผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือช้างออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกผู้สูงสุดแห่งนรชนพระนามว่าสิขีผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจากที่มรดกไทยวัน พระอภิภูเระและพระสัมภวะเระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าเขมังกรเป็นพระอปปทากของพระสิขีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระสกิลาเทรีและพระปทุมาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกลุ่มบก สิริวัฒาอุบาสกและนันทาอุบาสกเป็นอัครอุปถาจิตตาอุบาสิกาและสุจิตตาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถาญิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงเจ็ดสิบศกทรงงดงามดังทองคำที่ล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการแม้พระองค์ก็มีพระรัศมีประมาณวานหนึ่งสร้างออกไปจากพระวรากายต่อเนื่องกันไป พระรศมีนั้นแผ่ไปยังทิดน้อยทิศใหญ่ถึงสามโยตพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นมีพระชนมาายุประมาณเจ็ดหมื่นปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมาายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงบรรดาลฝนคือทําให้ตกลงช่วยเทวดาและมนุษย์ให้แช่มชื่นให้บรรลุถึงความเกษมแล้วเสด็จดับขันธปรินิพาน พระลักษณะอันประเสริฐ32สองประการซึ่งสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าน้อเพราะพทะเจ้าพระนามว่าสิกีทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันธปรินิพานที่อัสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่อัสารามนั้นสูงถึงสามโยชนนี้แหล สิกีพุทธวงที่ยี่สิบจบ 21. สเอ็เวสภูพุทธวงว่าด้วยพระประวัติของพระเวสภูพุทธเจ้าในมันทักกับนั้นแหละได้มีพระชินเจ้า พ, พระนามว่าเวสภู ตามพระโคดพระองค์ผู้ไม่มีบุคคลเสมอไม่มีบุคคลเปรียบเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระจินเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าไฟคืราคะนี้เป็นของร้อนเป็นเว้นแคว้นของตันหาทรงตัดกิเลสเครื่องผูกดุจช้างตัดเครื่องพันธนาการแล้วทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุดพระเวชภูพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศพระธรรมจักแล้ว เทวดาและมนุษย์ประมาณ8ปดหมืโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งเมื่อพระนราสภระผู้เจริญที่สุดในโลกเสด็จจารึกไปใ น, วนแว่นแควนเทวดาและมนุษย์ประมาณเจ็ดหมืโกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สองเมื่อพระองค์ทรงกระทำปฏิหาริย์บรรเทาทิฏฐิอันสําคัญเทวดาและมนุษย์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกในหมื่นจักรวาลมาประชุมกันเทวดาและมนุษย์ประมาณ60สโกร ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีเป็นเหตุให้ขนผองสยองกล้าวแล้วบรรลุธรรมพระชินเจ้าผู้แสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระนามว่าเวสภูได้มีการประชุมแห่งพระขีณาศพผู้ปราศจากมณทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งพิกษุประมาณแปดหมืนรูปได้มาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพิสุประมาณเจ็ดหมืนรูปได้มาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง พิสุประมาณหกหม0นรูปได้มาประชุมกันเป็นครั้งที่สามล้วนกลัวภัยมีชราเป็นต้นเป็นโอรสของพระมเหสีเจ้าสมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์มีนามว่าสุทัศนะทูลอาราธนาพระมหาวีรเจ้าแล้วถวายทานอันมีค่ามากได้บูชาพระชินเจ้าพร้อมทั้งพิสุสงด้วยข้าวน้ำและผ้า เราฟังพระธรรมจากอันปราณีอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีบุคคลเสมอทรงประกาศแล้วจึงชอบใจการบรรพชาเราบำเพ็ญมหาฐานให้เป็นไปไม่เกียคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนทราบว่าการบวชถึงพร้อมด้วยคุณจึงบวชในสำนักของพระชินเจ้าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจารคุณตั้งมั่นอยู่ในวัดและศีลแสวงหาสัพพัญญุตยาน ยินดีในศาสนาของพระชินเจ้าเราทำัตธาและปิติให้เกิดขึ้นว่า้พระพุทธเจ้าผู้พระาศาสดาปิติเกิดขึ้นแก่เราเพราะเหตุแห่งพระโพธิญาณ น, นั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าเรามีจิตไม่หวนกลับจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้า พระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งควา ม, มเพียรบำเพ็ญทุกระกริยาพระตถาคตจะประทับนั่งที่โคนต้นอาชาปาราเนโครธทรงรับผ้าวปายาดในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินจาจ้าพระองค์นั้นจะเสวยข้าวปายาดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้ว จากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จักทำประทักสินโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้เทืกคนต้นอัสตะปรึกพระมารดาผู้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระปิดาจักมีพระนามว่าสุโธธนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่าโคดมพระโกลิตะเทระและพระอุปติสะเทระผู้ไม่มีอาสวะ สิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอัครสาวกพระเทรรนามว่าอานน์จากเป็นพระอุปถาบำรงพระจินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวรนนาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น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 เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุธทธังกูนนี้ในอนาคตการมนมุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปชั้นใดเราทั้งหมดก็ชั้นนั้นเหมือนกันถ้าพราพระจินเจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุธทธังกูนนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดํารัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่ง ได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบา ร, รมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าอโนมะกระัตริ์พระนามว่าสุปฏิตะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่ายะสวดีเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าเวสภูผู้แสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาาอยู่6กพันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือรุจิประสาทสุรติประสาท และวัตกระประสาทมีนางสนมกํานันสามหมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่าสุจิตตาพระราชโอรสพระนามว่าสุปปะพุทธะพระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงวอทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนเต็มจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณพระมหาวีระทรงเป็นผู้นาสัตว์โลก เป็นผู้สูงสุดแห่งนระพระนามว่าเวสภูผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจากที่อรุณารามพระโสนเถระและพระอุตรเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอุปสันตะเป็นพระอุปถาของพระชินเจ้าพระนามว่าเวสภูผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระรามาเถรีและพระสมาลาเทรีเป็นอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอ้อยช้างใหญ่โสติกะอุบาสกและพระมะอุบาสกเป็นอัพราอุปถากโคตมีอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอัพราอุปถายิกาพระองค์ทรงมีพระวรกายสูงหกสบศอก เปรียบเสมอด้วยเสาทองคําพระรัศมีเปล่งออกจากพระวรากายดังไฟบนภูเขาในเวลากลางคืนพระชินเจ้าผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมาายุประมาณหกหมื่นปีพระองค์ทรงดํารงพระชนมาายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ช น, นข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงจําแนกทําไว้อย่างพิสดาร ประดิษฐานมหาชนไว้ในธรรมนาวาแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพานชนทุกหมู่เหล่าพระวิหารและอิริยาบทที่น่าทศนาทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าเนอพระชินน า, าสดาผู้ประเสริฐพระนามว่าเวสภูเสด็จดับขันธปรินิพานที่เขมารามพระบรมสารีฤกทาของพระองค์ แพ่ไปอย่างกว้างขวางในนานาอารยประเทศชะ น, นี้แหละเวสสูโพพุทธวงที่ยี่สิบเอ็ดจบยี่สิบสองกกุสันทพุทวงว่าด้วยพระประวัติของพระกรกุสันทพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวชสุูได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทตามพระโคดผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ มีพระคุณหาประมาณนี้ได้หาผู้กระทบกระทั่งได้ยากทรงเพิกถอนพบทั้งปวงถึงที่สุดแห่งจริยาทรงทำลายกิเลสดังราชสีทำลายกรงแล้วทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐเมื่อพระกระกูสันธพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงประกาศพระธรรมจักเทวดาและมนุษย์ประมาณสี่หมื่นโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่ง พระองค์แสดงฤกษ์กระทำรรมยมกกระปติหารในอากาศกลางหาวทรงทำเทวดาและมนุษย์ประมาณสามหมื่นโกดให้บรรลุธรรมในคราวประกาศอริยสัจสี่แก่ยักษ์นรเทพการบรรลุธรรมของยักษ์นั้นไม่ได้คำนวณ น, นับพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสกผู้ปราศจากมณฑินมีจิตสงบระงับผู้คงที่ครั้งเดียวครั้งนั้น พระขีณาสพผู้บรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วเพราะความสิ้นไปแห่งหมู่่าศึกคืออานสวะประมาณสี่หมือนรูปมาประชุมกันสมัยนั้นเราเป็นกษัตรทมีนามว่าเขมะได้ถวายทานไม่ใช่น้อยในพระตถาคตและในสาวกผู้ชิ น, นบุตรถวายบาตรจีวรยาหยอตาเชเอมเครือถวายสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ประเสริฐยอดเยี่ยมทุกอย่างตามเทพสุสงปรารถนา แม้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากระกุสันทะพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษก็ทรงพยากรเราว่าในพัทระกับนี้ผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกระเบรพั์ที่น่ารุ่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบาเพ็ญทุกระกริยาพระตถาคตจับกระทับนั่งที่โคนต้นอชะปาลนิครธทรงรับข้าวปลาญาติในที่นั้น แล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินจาจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีประยชน์ยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอัศทะรึกพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินจาจ้าพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายา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 ผู้ไม่มีอาสวะเสื่มราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถพฤกจิตตาขะบดีอุบาสกและหัตถะขะบดีอุบาสกชาวเมืองอารวีจกเป็นอัครอุปาถากนันทมาดาอุบาสิ ก, กาและอุตราอุบาสิกาจากเป็นอัครอุปถายิกา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 ถ้าเราทั้งหลายจะพระาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปเจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปชันใดเราทั้งหลายก็ชันนั้นเหมือนกันถ้าพราบพระจินดาจ้าพระองค์นี้ก็จะพร้อมหน้าหนอพุทธังกูลนี้ในอนาคตการ เราได้ฟังพระดำรัดของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าเขมวดีครั้งนั้นเราก็มีชื่อว่าเขมะเมื่อสแสวงหาพระสัพพัญญุตยานจึงออกบวชในสำนักของพระองค์อักขิทตะพรา์นั้นเป็นพุทธบิดา นางพรามณีชื่อว่าวิสาขาเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากากุสันทะผู้สแสวงหาคุณันยิ่งใหญ่ตระกูลใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตระกูลที่ประเสริฐที่สุดของคนทั้งหลายมีชาติสูงมียศมากอยู่ในเขมมาคนครนั้นพระองค์ทรงครองคารวสอยู่สี่พันปีมีประสาทที่อุดมอยู่สามหลังเือกามวัฏถประสาทกามสุธิประสาท และรติวัฒประสาทมีนางสนมกำนานสามหมื่นนางล้วมประดับประดาสวย ง, งามพระมเหสีพระนามว่าโรปิณีพระราชโอรสพระนามว่าอุตระพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพานะคือรถออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่ากกุสันทะ ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้สูงสุดแห่งนรชนผู้อันพรมทูลราชนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักณรณมรรคทายวันพระวิทุระเทระและพระสันชีวนามมเทระเป็นพระอครส า, าวกพระเทระนามว่าพุทธิชะเป็นพระอุปถาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระสามาเถรีและจำปานามาเถรีเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นซึอัจจุขตาอุบาสกและสุมาณอุบาสกเป็นอ克拉อุปถากนันทาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอครอุปถายิกาพระมหามุนีทรงมีพระวรกายสูงสี่สิบสอง พระรัสมีเปล่งแปร่งดังทองคําแผ่ออกไปสิบโยตโดยรอบพระทิเนเจ้าผู้แสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมาายุประมาณสี่หมืปีพระองค์ทรงดํารงพระชนมาายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมูโชนข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงแผ่ขยายตลาดธรรมให้แก่บุรุษและสตรีในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงบรรลือสีหนาถแล้วสเสด็จดับขันธปรินิพานพระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยพระดำรัตนมีองแปกมีศีลไม่ด่างพร้อยตลอดกาลทุกอย่างล้วนอันตรฐานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระจินเจ้าผู้ประเส ร, ริฐพระนามว่ากรกุสันท ะ, สะเสด็จดับขันธปรินิพานที่เขมารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่เขมารามนั้น สูงถึงหนึ่งขาวุธชันนี้แหละกัคขุสันทภาพุทวงที่ยี่สิบสองจบ